โอกาสของพระกรมแล้วก็ต่อให้ความเคารพมายัางเพื่อนจะขาดทรมิกทุกๆรูปจรรยาธรรมมายัางคุณแม่ชีน่รทมทุกท่กท น, นเราก็นั่งปฏิบัติรรมกัน เราได้สวดอริยมรรคมีว ม, มันก็เป็นคำพูดที่น่าสนใจที่เราเชื่อกันว่ามันเป็นคำพูดของพระเจ้าเป็นการชี้นำชี้ทาง เนราจะนอนก็มาใส่ตนแล้วก็เดินตามรอยทางไปสู่ความสว่างสวัยของปัญญาที่พาเราจากความทุกข์เราก็มาอยู่วัดอยู่ว่าถือบวชเพื่อจะได้มีการปฏิบัติตัวปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตัวก็หมายถึงพระวินัยกายวาจาขอเกตกติกาของชุมชนวัดปฏิบัติแล้กวก็มีธรรมก็คือมีการปฏิบัติธรรมลงมือกระทากรรมฐานเพื่อให้มันรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งยิ่งึง้นไปตามสมควรกับการปฏิบัติ นเน่พราะรูปแบบปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ต้องทำการดูกายดูนาดูจิตดูทำเป็นแบบเป็นรูปแบบกายก็มีแบบเวทนาก็มีแบบจิตก็มีแบบธรรมาชาติมันก็มีแบบตามเหตุตามใจการทาความเข้าใจแั้ง รู้ละปล่อยวางก็ยังมีสภาวะของตาในที่มันตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานไม่ตื่นตนกตกใจหันเสียสะดุงหวัดภาวาเสียสันหลังมันทำให้เกิดความอ่อนแอทอถอยไม่สู้ ความเสื่อมเมื่อตกต่ำทางจิตวิญญาณเราก็มีการเดินทางแปลว่าเดินอยู่ที่ความรู้สึกมีความรู้สึกถ้ามีแปลว่ผู้ดูก็จะเห็นความรู้สึกแปลว่ามีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวรู้รู้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบอะไรเป็นความดีก็ต้องทำอะไรเป็นความไม่ดีตามสมมุติบัญญัติก็ต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องแต ว, ว่าความรู้ึกตัวเนี่ยมันแยกตัง้งแตต้นเลยระหว่างความคิดที่เป็นสมมุติบัญญตัติกับตัวรู้สึกตัวที่เป็นปรมาจิตมันแยกตั้งแตต้นเลยสัมผัสรู้ความรู้สึก มันจะสัมผัสศัพว่าสัมผั ส, ส, ผสเห็นศัพท์ว่าเห็นตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ใช้ความคิดมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆมาเป็นตัววัดความก้าวหน้าถอยหลังเช่นตัวนิวรณ์ทำตัวง่วงเลยนะอาหารก่อนนิวรณ์จะทำตัวง่วงกับนะนะพวกวบิดขี้เกียจหลังเลสงสัย พวกเฉยชาไม่มั่นใจเป็นอาหารของตัวทีนนมิทะมันพายเราง่วงง่ายไม่ชัดเจนมันก็เป็นการตรวจสอบว่าจิตมันมีพะละมีกำลังของสติของปัญญาผ่านได้ไหม ผู้ฝึกก็รู้าสายบ่ายข้มมาแล้วก็ผ่านได้ไวมาบ่อยขนาดไหนหรือว่าห่างๆนานๆมาทีอนึ่งยังสงสัยอะไรอยู่ไหมโดยหลงติดในการเป็นกรมมุปาทานเป็นอุปทานในกามลงไปทางตาทางหูจะูเล่นไหม อย่าไหลาไปสู่ความเสื่อมได้การตกต่ำทางจิตวิญญาณก็เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปสว่างมาแล้วก็มืดไปนั่นแหละมาโดยศรัทธาศรัทธาก็ตกหรือว่าไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็ยิ่งศรัทธาหมดตกต่ำไม่ไม่งอไม่งามเลย เหมือนเพราะต้นไม้ปลูกต้นไม้มันไม่มีเม็ดงอกออกมาเลยต้นอ่อนวุทาภาวะในจิตใจความรู้สึกตัวไม่มีเลยเคลื่อนไหวก็ไม่รู้สึกเดินจงกรมก็ไม่รู้สึกไม่รู้ว่าทำทำไมทำไปทำไมอันนี้แปลหนาของชาวพุทที่สแสวงหาบุญนอกศาสนา จนกลับมาหาตัวเองไม่ได้ไปหานอกกายนอกใจหาอยู่หากินออกนอกตัวจนกลับมาหาตัวเองไม่เจอมีแต่ความโลภความกดความหลงชาวพอย่างนี้ทําให้ศาสนาเสื่อมไปเคารพบัตถุนิยมมุนมันไม่เคารพตัวเองตัวกายมีก็ไม่เคารพกาย จิตใจมีไม่ก็ลบจิตใจมีกายก็ไม่รักษากายมีใจก็ไม่รักษาใจใจสุดเองก็เสื่อมผิดศีลปิดธรรมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เราก็เคลื่อนไหวรู้สึกเรารู้เนื้อรู้ตัวพยายามกลับมาหาตัวเองหรือว่าไม่เยี่ยมยามกันเดี๋ยที่ทําให้ศาสนาเสื่อม ไม่ไปมาหาสู่เยี่ยมยามกันสนธนาธรร ม, ไ ม, รรระะมรไม่รู้ว่าใครเป็นกัลยาเมิตรไม่รู้ว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าใครมีธรรมะใครไม่มีธรรมะมันดูยากเพราะนั้นเราจะรู้ตาหูจงนี้กายใจนะตรงไหนที่เป็นแหล่งทาให้เกิดธรรมะถ้าเรารู้ชัดมีศรัทธามีความเชื่อนะ เสร็จแล้วใครควรดีแล้วลงมือกระทำลงไปสตีเกิดนี้เวาลาทามันก็ผ่านมันสามารถเห็นทุกเยวสัตว์สี่เห็นการเกิดตับเป็นพระไตรลักษณ์ได้อะไรมันเป็นทุกขงังในจารณตา ม, มันรู้เพราะมันเรื่องของเราสัจจะความจริงมีตัวเราทุกครั้งที่เราไปบาราเข้าถึงทันที เข้าถึงความรู้สึกตัวเยี่ยมมันทุกครัง้งตาาู้นาทีนาทีวินาทีหนึ่งรู้ครั้งนึงเ่รู้เป็นปัจจัรราายขณะใบไหวแล้วถ้าว่าเยี่ยมไม่ขาดการเยี่ยมการยามการเคลื่อนการไหวกับตัวเรากับตัวเราคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นแต่ถ้าปรารถนาดีต่อกันเราฟังก็ออก ฟังเรารู้เรื่องเป็นการตักการเตือนเราก็เตือนตนต่อไปสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้สวดกันมาสักครู่นะมันไม่อยู่ในหนังสือมันไม่ได้อยู่ในสมองแต่มันอยู่ในใกายในใจของเราเลยมันเป็นปาวัตของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะสำมาติทิมารู้ ร, รู้ถูกรู้สึกตัวรู้สึกตัว ดำลีก็ดำลีโถ่ดำลีชอบรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวการงานชอบกรรมฐานงานชอบอะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเข้าไปเดินยังคงเข้าไปมันเป็นงานชอบมันเป็นวาจาชอบสัมมาวาจาจิตสอนจิตมันก็สอนในสิ่งที่ดีที่งามทั้งหมดอะไรไม่ดีก็ อ, อย่าทําำมันเป็นวาจาในจิตในใจก็เลยมันตนสอนตนตนเตือนต น, ต น, ต น, ตน สนเตืนตนของ ต, อ น, ตอนในตนผิดคนอื่นก็เตือนเราแต่เราเตือนตัวเองไม่ได้คนอื่นตัวเราเตือ น, นเรามันก็ไม่ได้น่าฟังเท่าไหร่แต่มันก็ดีแต่ว่าเราเตือนตัวเองมันดีที่สุดเลยเพราะการเคลื่อนไหวรู้สึกต้องเตือนตัวเองสัมมาวาจามันทีมีคำบริกรรมลงไปรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึก มารู้สึกตัวอาจจะเผลอไปทําไมนี่เรามาทําอะไรนะโลหัวด้วยแล้วบันโกนกวนหัวเหม่งแล้วผมก็ไม่มีจะทำอะไรแบบญาติโยมมันไม่ทํามันก็เป็นเสียงข้างในใจเราสอนให้เราเดินทางสอนให้เรารู้ถูกรู้ผิดแต่ความรู้สึกตัวสติสอนจิตมันดีกว่านั้น สติสอนจิตมันดีวพาะจิตสอนจิตสติมสอนจิตไม่ได้ใช้คำพูดเป็นภาษาธรรมชาติมันเป็นสัมผัสตุกังที่สมัมผัสมันก็ไมได้คิดอะไรมันตัดทันทีทันใดเลยตุกังที่รู้สึกก้าวหนึ่งเดินไปก้าวหนึ่งเดินไปเอาทุกไปข้างหลังความง่วงนี่วะราทำเอาไว้ข้างหลังแมมดักหน้า ทุกครั้งที่แวกออกมาได้อันนี้เป็นเรื่อของความเพียนชอบประคองอยู่ตั้งไว้ความเจริญความงอกงามความไปโบ์ทุกครั้งที่สัมผัสกระทบรู้สึกสัมมาสติหรือรูมีความเพียนความเพียนทําให้มีสติเกิดขึ้นมาตอนหลังมันไม่ได้พักไม่ได้เพียน ใหม่ๆมันเป็นจันทะมันเกิดเวทยามันเกิดความขยันเง้นมาแต่ตอนหลังมันเป็นอาตาปีสัมปชัญญะสติมาปีเนยะโลเกอวิชาตุปนัสสังมันเป็นความเพียนเผาเผาแล้วมันมันหมดไปความทุกข์มันเบาไปบางไปมันหายไปความคิดความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่มันอยู่ในระบบของความคิดจิตมิญญาณ ความเป็นปกติมันสูงกว่านั้นตะกรนคุนคุนน้ําคุนคุนตกผลึกอยู่ความประทับใจความไม่ประทับใจเรว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นบุญเป็นบาปเหนือบุญเหนือบาปมันก็มีเหมือนอาจารย์พระธาท่านบอกถึงมะพร้าวนายิเกเพลงกล่อมลูกภาคใต้มะพร้าวนายิเกอยู่กลางทะเลที่พึ่ง ฝนตกก็ไม่ต้องฟ้ารองก็ไปถึงผู้ที่ไปถึงไม่ต้องอยู่เหนือบุญเหนือบาปเอ่ยผู้ถึงสภาวะของนิพานอยู่เหนือบุญเหนือบาปตรงนั้ น, นเราไม่ได้พักไม่ได้เพียไรไหลไปเอียงไปเทไปเพราะนเป็นร่องของมันเป็นทางของมันเป็นมรรคอริยมรรคในองคแปดมันเกิดการไม่พักไม่เพียรขึ้นมา มีแต่รู้ที่เกิดความเป็นเองโดยธรรมชาติแต่ว่าก็เกิดจากการเคลื่อนไหวนะเมาเราทำในรูปแบบผ่านนอกรูปแบบก็ผ่านดูกายเป็นก็ดูนาเป็นดูจิตมันก็ไม่เหลือวิสัยกำลังมันมีอยู่สติสัมปญะทำถึงแล้วยานย่อมมีนะมันมีอยู่จริงๆเป็นร่องเป็นช่องเป็นทางเป็นขอบเป็นขอบเป็นเขต แดนของปกติทำแดนของการงานแดนของความบริสุทธิ์ทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นพรหมจรรย์เกิดการรู้รู้สอดส่องธทำกันมาการทำมาวิยยะเห็นธรรมชาติเมื่อก่อนเห็นเป็นกรรมดีกรรมชัว่วเห็นเป็นสุขเป็นทุกข์แบบนี้มันเห็นเป็นรู้สึกเฉยเฉรู้สึกจิตจืด รู้สึกแล้วก็แล้วไปมันก็สักตัวว่าเกิดขึ้นมาสัมผัสก็สักตว่าทางตาก็สักตัว่าทางหูก็สักตัวว่าไม่ต้งความคิดก็สักตัวว่าห้า ม, มไม่ได้แต่เกิดขึ้นมารู้ทันได้บางทีก็คิดถูกซะด้วยอยู่ดีๆมันปิ๊งขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมามันไม่ได้คิดแบบทําบาตทําชั่วมันไม่ใช่ชั่วพูกมันดีพูก มันเป็ณของการคิดเป็นประโยชน์การคิดและพูดเป็นประโยชน์การคิดและทําเป็นประโยชน์เกิดเบียดเบียนตัวเองเกิดเปลียดเบียนผู้อื่นขึ้นมาไม่ได้ค่คิดกันมาชั่ววูบเป็นกรดเป็นโทอสานี่มันก็ชั่ววบหายไปเปลี่ยนเป็นดีวูบก็มาเป็นเมตตาก็นาหัวศีลธรรมให้อภัย อดทนเกิดไปมาอายชั่วกลัวบาปเกิดขึ้นมันมันคิดแบบนั้นมันไม่ได้คิดไปสู่ความเสื่อมไหลไปสู่ความตกต่ำทางจิตวิญญาณนะความรู้สึกตัวนะมันเป็นลักษณะของสติสีนสมาธิปัญญาเป็นกำลังเรียอ่พระมันไม่ใช่พิสุมันเป็นพระพระสงฆ์ ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่การปฏิบัติก็มีคุณธรรมตามสมควรแก่การปฏิบัติเกิดขึ้นมาเราก็ได้ใชใ้มันพึ่งมันต่อมาก็คือเรือน่าของสัมมาสมาธิเนี่ยมันกหมายถึงเรืนาของการมีสตเิเต็มรอบมีสติแล้วแลวอยู่ หมายถึงเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวมันเป็นอารมณ์ของความเป็นปกติที่มันมีอยู่เต็มพื้นที่ภายในจิตใจเป็นพนลังเป็นพนลังที่เราจะใช้ชีวิตเรียกว่าอิสระเสรีลรอยตัวทางจิตวิญญาณเลยทําอะไรมันก็ไม่เป็นทุกเป็นโทษอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมียืนมาแล้วก็หยิบ แอบมือขอเราก็ให้มันตามเหตุตามปัจจัยมันจะไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้มักที่ชังมันจะเป็นสภาวะแบบนั้นแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกหรือผิดนะมันเป็นสิ่งที่มันทําโดยธรรมชาติหรือของมันข้างในมันจะทํำยังไงมันก็เป็นกลไกของมันที่มันเป็นหน้าที่หน้าที่ที่มันเกิดขึ้นมาทางกายทางวาจาทางจิตใจ รล้คิดดีเป็นยังไงทําดีเป็นยังไงทําชั่วเป็นยังไงมันรู้ของมันอันนี้มันกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วทําแล้วจะเป็นยังไงอ๋อใจเราไม่ทุกข์แต่เขายัางทุกข์เขาอยู่อถ้าเป็นการสอนก็ต้องทําต่อไปถ้าเป็นการอยู่โดยรักษาจิตใจก็ต้องกลมกลืนเอออ่ห้อหมกไปตามน้ําไปทั้งๆที่มันไม่ถูกก็ต้องตามน้ําไป เพราะว่าบางอย่างพูดไม่ได้อย่างในพระวินยัยในหลักธรรมน่ยมันมีอยู่ในพุทธศาสนาเมื่อกี้เราตวจเราเห็นเลยว่าคําว่าพุทธศาสนาไม่มีเลยมันมีแต่ธรรมะกับวินยัยธรรมะคือความจรงิงธรรมะคือความเป็นไปได้สัมผัสได้แม้กรทั่งนมามธรรมระดับสุญญาตาระดับที่มัน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัมผัสได้ธรรมะมันต้องดับทุกข์ได้ธรรมะมันต้องบอกกันได้เพราะว่ามันเป็นสัจจคความจริงเพราะฉะนั้นธรรมะมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้อยู่แล้วขณะนี้ขณะนี้ขณะ น, นี้มันไม่ใช่หมายถึงว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้ามันขณะนี้ที่เรารู้สึกตัว ขณะนี้ที่ ร, รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงใจยนั่งกายเดินกายยืนกายนอนกายเจ็บกายปวดกายเมื่อยจิตเตือนปรุงแต่งไปตามอาการต่างๆมันเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีมันก็เอาความไม่เที่ยงสิ่งที่แปลกป่วนไปต่างๆนาน า, น า, นานเว้นความทุกข์ มันยึดเราต้องเที่ยงมันก็เป็นทุกทันทีต้องแน่ต้องนอนเป็นทุกทันทีเรารู้สึกตัวมันก็เห็นว่าเออเป็นแค่ความรู้สึกตัวเท่าน yup ั้นควาไม่เที่ยงก็เป็นความรู้สึกตัวความเป็นทุกข์ก็เป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่ความเป็นทุกข์ก็เป็นความทุกข์เนี่ยนะมันต้องหายใจต้องกระพริบตาต้องมีธาตุขันที่ประชุมกันธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันมาเป็นความทุกข์เอาทุกข์เป็นทุกข์ว่าทุกข์ขังร่างกายเป็นก้อนทุกข์เนี่ยแต่มันดูกายไม่ออกไม่ใช่ความรู้สึกตัวแต่มันดูกายเป็นโก้แต่แบบนี้มันแตกฉานก็มันกายสัว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อเห็นสภาพทาธรรงเห็นจิตที่มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆในการต่างๆการเคลื่อนการไหวง้ยนะ มันเป็นทุกขเรียบสัตว์สมีทุกข์ว่าใจรักเกิดขึ้นมาความไม่เที่ยงมันก็อยู่ที่กายที่วาจาที่จิตใจของเราเดียว่าจิตใจเป็นความคิดการปรองการแต่งเป็นระบบของมันแะระบบของทุกข์ที่มันอยู่ในความคิดออกจากความคิดเจตนาคิดไม่เป็นทุกข์แต่มันเป็นเป็นกุศลเป็นบุญ ถ้าติดไม่รู้ทันมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราดูเป็นความรู้สึกตัวคิดดีก็รู้สึกตัวคิดไม่ดีก็รู้สึกตัวกลับมาที่ฐานกายฝึกจนกระทั่งชาํานาญนีน่คือการทําบุญในศาสนากายก็คือก้อนของบุญนี่แหละจิตใจอก้อนของบุญเนี่แหละมันเราก็ลบกายของเราก็ลบจิตใจของเราเขาลบ สงสารเวลาปฏิบัติเนี่ยมันสงสารตัวเองสงสารตัวเองเป็นมันสงสารคนอื่นเป็นมันรักตัวเองปฏิบัติธมเนี่ยมันรักตัวเองหนึ่งปฏิบัติธรรมมาไม่อยากให้กายทุกข์ไม่อยากให้จิตใจทุกข์มันรักตัวเองใครบอกว่ารักคนอื่นรักคนอื่นฉันรักเธอฉันรักเธอไม่จริงโกหทั้งโลกหวังว่าเขาจะเติมเต็มให้เรามันก็ไม่มี ใครเติมใครไม่ได้แล้วนั้นนะประเดียวทำต้องทำเอาเองเหมือนกันฝกตัวเองก็ทำเอาเองแต่สิ่งที่ทำมันทำอะไรมาวัดว่ า, วามาวามาทำอะไรกันวัดว่าก็ต้องเจริญสติฝึกกรรมฐ า, านให้เกิดีิพัสนายานขึ้นมาจะได้ท่องไปในโลกของโลภุตละธรรมเป็นธรรมมันยิ่ง เป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเข้าถึงความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวจนทาเป็นการเดินทางในอริยมรรคมืมองแปดมันเป็นทางหนีไฟจริงๆไฟตัวสาไฟราคะไฟสารพัด ท, ที่มันทำให้จิตใจเรารุ่มร้อนเอาไว้ข้างหลังแล้วนหนีออกมาเมื่อเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานก็มี ไฟไม้ขนาดหนักเลยที่ไข้ อ, ขอรพยพเสร็จแล้วก็หนีกันไม่ถูกที่นะไข้อพยพส่วนใหญ่แถวตากแถวแม่ฮองสอนเนี่ยขุนยวมวมันทำหลังคาด้วยใบตองตึงรู้จักไหมใบตองตึงเป็นใบไม้ ฝาก็ไม้ไผ่หรือใบตองตึงามาทำเป็นฝามันก็สวยเดียนะเวลาเราไปดูแล้วโอ้ธรรมชาติดีแต่ช่วงนี้มันหน้าแรงแล้วก็ใบไม้แห้งฝนไม่ตกตรรรปรากฏไม้ไร่เราไข้ไข้พม่าอยบเสร็จแล้วคนก็หนีไปกันไปในป่า ไฟมันก็ไหม้เข้าป่าอันนี้ลมมันพัดกันโชคล้อมคนตายไปหลายสิบคนดีนะสี่สิบกว่าคนไปก็ตายบางคนหนีก็ไปในห้องน้ำเดี๋ยวเว้ยไปตายอยู่ในห้องน้ำมันมีทางหนีไปนะทางหนีไปแต่คนเวลาตนนตกใจก็เฮลโลสารพากัน ไอ้ทีรอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนไกลหรอกข้ามาที่โรงแจ้งคนจํานวนน้อยๆได้อยู่ที่โรงแจ้งคนจํานวนมากๆไม่ได้มาอยู่หนี้ไม่ทันไว้ตัวไม่ทันนอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นก็นมากลางดึกก็วิ่งหนีไปตามก็ไปรวมตัวกันตายเพราะฉะนั้นระนาของทางหนีไฟถ้าเป็นระนาของไฟโทสามโมหาโลภะ ตามันก็เป็นไฟนะรูปติมมะกระูดก็เป็นไฟผา ส, สาก็เป็นไฟความคิดปรุงแต่งทั้งหมดก็เป็นไฟถ้าเกิดความโลภความโกดความหลงขึ้นมามันร้อนรุ่มหนีมาที่ความรู้สึกตัวนะจะเป็นเจ้าพจน์ไม่ใช่หนีไปข้างหน้านะไม่ใช่หนีไปหาการงานห น, ะนีมาทีนะ่งานกรรมฐานนะงานของพระ การของพระอริยะเราทํไปอยางนั้นเราก็จึงเรียกว่าใช้เวลาตื่นยันหลับให้เกิดประโยชน์ทั้งวันหลวงพ่อเขียนเรื่วานสอนชาวจีนเนี่ยดีมากเลยนะสั้นๆแต่ว่ามีพลังหลวงพ่อพูดเลยเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะหลวตะกรมก็นั่งอยู่ด้วยนท่านหูควางก็นั่งอยู่ด้วยท่านมาก็เห็นหลวงพ่อท่านอืม นี่แครูอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ท่านบอกว่านี่ท่านไม่ได้พูดเองนะพระเจ้าบอกว่าเนี่ยให้ครูเข้าเหยียดออกแล้วท่านก็ทํามือด้วยนะเจริญสตินะทำอย่างนี้ครูเข้าเหยียดออกแค่นี้เองให้รู้สึกตัวกัน ไม่ใช่ทาสวยนะทันเกินกันนะอถ้าเป็นหลวงปู่เทียนทำอย่างนี้ท่านก็ยกมือสิบสีชั่าไหหลวงปู่เทียนทำอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพูดเจ้าพูดอย่างนี้หลวงปู่เทียนพูดนี้แล้หลวงพ่อปฏิบัติ นท้ายสุหลวงพ่อสอนหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่สอนอย่างอื่นเลยใครก็จะสอนอะไรไปเขาให้เขาสอนกันไปแต่หลวงพ่อจะสอนอย่างเนี้นี่คือคําสอนหลวงพ่อในฐานะที่คนจีนมาต้องการให้หลวงพ่อสอนหลวงพ่อไม่ได้บอกเลยต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นไม่ได้พูดทันทีทันใดเลยถ้าเป็นพวกเราล่ะสอนให้นั่งยกมือสัอย่างนี้ว่าไม่เอาเลยนะ อาวอด ว, อดวอดักลุ่มที่มาในเวลาอบรมเนี่ยต้องละลายพฤติกรรมขนาดหนักหอบุห๋ยกันมาอย่างออบจารุ่นที่แล้วนะสู่บุหรี่กันหอบุ๋ยกันมาแต่ละคนแต่ละคนแถมยังกินเหล้าแอมานะอามาไล่กลับไปสองคนเลยนะอามาไม่ได้เอาด้วยนะแต่ว่าเวลาไล่กลับไปเนะี่ยต้องมีศิลปะก่อน ก็ <c oughs> มีศาสตร์มีศิลทักนิดนึงต้องใช้องค์ประชุมทั้งหมดเอาอาจารย์สนใจปเป็นประธานเอาพระแจ็คมานั่งเป็นเพื่อนเอาตัวเองเป็นคู่กรณีกับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พยาามตะแบงหมหาเหตหาผลของผมนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นหาเหตหาผลมาที่นี่ไม่ต้องมาหาเหตุหาผลนั่นแหละให้ยกมือก็ยกมือ ท้ายสุดมีอาการเทียงก้าวล้าเกิดวอย่างนี้ไม่ได้ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูแนะลไล่กลับไปนกนั้นเงียบคลิปเลยสามวันนั่งยกมือกันจ่อยจ่อยเลยนะเพราะนั้นวัดเราต้องเข้าถึงความรู้สึกเนะี่ยยิ่งมาไม่เห็นคนทำใครมันจะอยากทำนะวัดบาลาเมื่อก่อนก็มีคนพูดว่าอาจารย์ทรงศินป์น่สร้างภาพหน้าโดยเลยเนะดี๋ยวจะให้รางวัล ออสการางวัลอกาเป็นดาราของฮอลลีวูดช่นั่งยกมือนะโอ้นั่งจะทํามาหากินสร้างภาพมั้งอย่างเงี้ยแหมเราก็รู้ถ้าไม่ตอบแทนคุณสิบสี่จังหวะมันก็จะในละคุณกันไม่ได้ละคนมาวัดป่าสุขโตวก็สอนเรื่องนี้เมื่อก่อนทาไม่สอนเรื่องนี้เราจะมาทำไม ในสิ่งเนี้มันทำให้เราพูดจ้อยจ้ยจ้อยจ้อยอยู่ขนาดนี้มันไม่ใช่ความคิดจําเป็นประสบการณ์บวกการเราได้ยินได้ฟังได้อ่านมันใช่เลยนะมันเป็นความไม่ทุกข์ยังไงเราเราพูดได้เลยนะอารมณ์มันมีอยู่อารมณ์ปฏิบัติก็เลยว่าเออบางทีนะอยากจะชวนกันพระน่ยนะมาจับนั่งยกมือสิบสี่ขวบทั้งวัดเลยครูบาอาจารย์ที่สอนกันจ้อยจ้ยจ้อยจเนี่ย จะมันนั่งปฏิบัติมองหน้ากันเลยโดยที่มันหลอกหรือมันมันจริงมันไปบัตรไปบัติได้จริงหรือเปล่าง่วงยังสงบสงบเงยกันไหมหัวที่หัวตํามไหมยังพูดยังคุยยังไปเอาสาระหาบุนนอกศาสนานอกตัวเองกันหรือเปล่านริ่มเป็นความรู้สึกตัวจริงๆที่มันทาได้ทั้งวันตื่นยันหลับเคลื่อนไหวรู้สึกไปแบบนิ่มๆนินไปเลยเป็นแบบปกติปกติ ปกติ ก, การเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือคําสอนที่อาตมาหรือผมสัมผัสได้จากหลวงพ่อคำเขียนตอนหลังๆก็เลยหาศ า, าสตหาศิลป์หากุศโลบายอย่างเช่นไปทำพระไตรปิฎกไว้เป็นกุศโลบายว่าคนชอบเถียงไหวาาการเคลื่อนมือไม่มีทํากันน่ยมันไม่มีหรอกวัดข้างๆบ้านานี้ไม่ทํากันเลยเนี่ยมันต้องมานั่งตัวตรงๆ ดูดลมหายใจเข้าออกท้ายสุดอยู่ว่าไม่ได้แพออยู่สักพักมันเห็นไมไ่แขวะหมนเลยตอนอบรมน้ะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าทมอย่างเนี้มันดีแต่พออยู่นานๆไปนะไม่ทำละเพราะว่าเดี๋ยวคนนั้นเข้าว่าอยู่ทางนี้เป็นผู้อาจารย์ทรงศีลปฏิบัติธรรมมีแต่เครียดๆแล้วก็ท้ายสุดก็คือพอไปทางานก็อารมณ์ก็ไม่ผ่าน ก็ไปเจอแบบ น, นั้นยังหงุดหงิดอยู่เลยยังโกรธอยู่เลยหรือว่ายังขัดแย้งเหตุผลมากเยอะอยู่เลยอะไระก็จะไปตกลงนั้นกันเพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะเคลื่อนมือรู้สึกก็เห็นว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเขียนจึงให้พวกเราเนี่ยตัวใครตัวเรารับผิดชอบตัวเอง อยู่โดยเหมือนกับว่าเป็นป่าอิสิปัตนามรุกัทัยวันสถานที่ปล่อยบาปรอยบาบเหมือนกับประเทศอินเดียคุณจะอยู่ยังไงอยู่ไปเลยแล้วเดี๋ยวท้ายสุดก็คือเมื่อคุณเห็นประโยชน์คุณก็ามาปฏิบัติทำเองแหละอย่างนี้หรือคุณยังทุกขอยู่เห็นว่าเออมันเสียเวลาชีวิตเดี๋ยวคุณก็มาเคลื่อนมือเดินหนงคมสร้างความรู้สึกตัวเองแหละอย่างนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นเราก็พูดกันแบบวงในตอนนี้นะกก็เชื่อว่าคนที่มาทำวัดเช้า ว, วันนี้นที่มาเนี่ยก็คงจะมีศรัทธาในใ น, ในกิจวัตรประจำวันเป็นสามีกิจอย่างงี้นะก็เชื่อว่าอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าการฝึกลูกแ น, น่นะดีเป็นลักษณะของการทำบุญทำดีทำให้มีพลังมีกาลังใจแล้วก็อยู่ได้ในวัดนี้ ขณะนี้ชีวิตเรารู้สึกว่าได้ทําประโยชน์มีคุณค่าอาตมาก็มีความเชื่อว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็เดี๋ยวได้เจอกันตอนตักข้าวตอนนี้เชื่อว่ายังนอนกันอยู่ตามกุติจลาเนะี่ยมันจะมีอยู่สามยางพวกรู้อะไอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีหลงอยู่ก็ได้คิดในแง่ดีจริงๆนะกาลังตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าคือใครอยู่ที่ไหนแต่ก็มองอยู่รูปนึ่งนะ มีพระอยู่ร่วมมามขาก็มองว่าอาจจะใช่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเป็นพระสีร้งกาก็าไม่ค่อยได้เห็นมาทําวัดแล้วก็มันก็ได้เห็นไปร่วมกิจกรรมกลุ่มบางทีก็เดินชมกลมเห็นอยู่เดินแถวหลังวัดทางทิศทิศใต้ตะนั้นออกนี่ไฟไหม้ไปแล้วตะวันตกก็ไฟไหม้ไปแล้วทางทิศใต้อยังไม่ไหม้กับทางทิศเหนือเนี่ยทางในทิศเหนือยังไม่ไหม้ ก็มีพระศีลังกาเมื่อวานหลวงพอ่อก็เอาให้จีวอให้ไตรหนึ่งก็บอกว่าไว้ให้พระศีรังการูปนี้นทิมท่านก็เห็นว่าเออก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่ตามสมควรแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้สนทนากันเราท่านก็ไม่ได้สนทนากับหลวงตะกมไม่ได้สนทนากับหลวงพ่ออมเขียนพระท่านพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็สองรูปนี้ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้ นะก็มีพระอาจารย์แจ็คพูดภษาอังกฤษได้ก็น่าจะมีบทสนทนากันบ้างเพราะฉั้นเดี๋ยววันนี้ให้เอาพาไปฝากไปให้พระจิลังการุ่มนิีตอห้หลวงพ่อฝากมาให้อาจารย์ลงศิลให้เอามาให้แต่ว่าอาจารย์ลงศิลมาแด่วมาให้อาจารย์แจ็คเอาไปให้ทีเดี๋ยวหลังทําวัดนี้แหละแล้วก็เ่อว่าจะมีคนประเภทนี้อยู่ในวัดนี้วันนั้นเราก็เลือกเอาให้ดี ถ้าเลือกอยู่กับความรู้สึกตัวนี่จะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปก็ถือว่าเป็นลักษณะของทุกๆคนนะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เรากําลังไม่ประมาทอยู่ฉะนั้นก็ขอให้เราที่มาร่วมกันนะักวิารในวันนี้ก็มีลักษณะของธรรมะที่เป็นกิริยธรรมเพื่อใข้าถึงรธรรมชาตินะ ที่เป็นความพนทุกข์น่าเดยเพราะในชาตินี้ด้วยความหวังอนุญาตเนี้ยมันน่าจะเป็นชาติที่เราไม่ควรที่จะเหมือนกับว่าเดินทางผิดทางก็ให้มันไหลไปสู่ด้า น, นาของมรรคผลนิพพานเนือเกิดเหนื้อแก่นะเจ็บเนื้อตายแล้วก็นะทุกข์มีแต่ความเป็นปกติหรือว่าถ้าเกิดชาติไหนๆก็ตามยังเกิดอยู่ก็ขอให้มีแต่เรื่องของจิตกุศลจิตที่เป็นบุญ มีแต่ความสุขจนกระทั่งเข้าถึงสภาวะของนิพพานที่มันไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ลอดนาของอยู่ในวัฏฏสงสารออกไปเหนือวัฏสงสารแ ล, ล้วเรียวิวัฏฏะก็ขอให้เราได้เจอกันในประชันชาตินี้โดยทุนาการทุกท่านทุกคนนั้นเตอ